เี่นี่ ก, ก็ร้องกันนั่งภาวนานั่งภาวนาตอนเช้าเนี่ยให้ระวังอย่ามันง่วงเหงาเหงานอนนอนตื่นมาใหม่ๆ ม, มันอยากนอนอีกนอนนี่ผมมีที่สิ้นสุด ให้เธอนึกถึงว่าเมื่อเวลาเราไปนอนในท้องแม่นอนอยู่ตั้งสิบเดือนแล้วเกิดมาแล้วให้นอนน้อยลงคนเราที่ละกิเลสไม่ได้ก็เพราะว่ากลัวกิเลสกลัวกิเลสความโกรธเมื่อมันกรอขึ้นมาแล้วก็กลัวมัน เพระวาหน้าตากิเลสนั้นมันเป็นยักษ์หน้ามันยักษ์หน้ามานันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเวลามันโกรธขึ้นมาแล้วคนโบราณเขาสอนไว้ว่าช้างตัวมันใหญ่เลยแต่ว่าเวลาคนเราโกรธขึ้นมาเห็นเท่ากันกันกบหมูตัวมันน้อยนิดเดียวไม่กลัว อันนั้นเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่สู้มันเราไปยอมให้มันทักหัวใจความโกรธนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เห็นโทษตัวเองเห็นแต่โทษคนอื่นคำโบราณเขาก็สอนไม่ว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายของตัวเห็นได้ยากรวมแล้วก็ก็ว่า คนเรามันกลัวกิเลสกิเลสมันเป็นนายมาจั้งแจ <c oughs> ยังเป็นตัวเล็กๆมองไม่เห็นด้วยตาหนังก็มีพวกเชื่อไข้ต่างๆแล้วจนกระทั่ ง, งใช่กล้องจุลทรรศมองดูจึงจะเห็นเป็นตัว การหนังมองไม่เห็นนั่นแหละคือว่าความโกรธความโลภความหลงนี่มันควบคุมจิตใจมนุษย์คนเรามานั้นมากมายไม่รู้ว่ากี่พบกี่ฆ่ากี่กับกี่กันนับไม่ได้ความจริงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตายอยู่ในโลกนี้ จะนับประมาณไม่ได้แล้วว่ามากมายเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมนุษย์อุตุชนคนเราทั้งโลกมันจึงไม่กลา้าลกขึ้นต่อโซ่ถ้าเราลกขึ้นต่อโซ่เหมือนกับ น, นักมวยสมัยนี้เขาตีกันขึ้นสเตจแล้วตีตบตอย ใครมีกำลังมากก็ได้ไยชนะได้เป็นนักมวยเอกได้สตางมาใช้เราทุกคนที่เกิดมาแล้วอย่าไปกลัวกิเลสความโกรธอย่าไปกลัวกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้มันมีเล็ิมีอำนาจแต่เวลาเรายอมมันเท่านั้น ถ้าเราไม่ยอมเราลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสเราไม่กลัวพระพุทธเจ้าท่านว่าไม้พยายามานพยายามานีานน่กิเลสมานขันธ์มานเจงเหล่านี้มันเป็นมานคำว่ามานพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้น ก็เพราะว่ามานั่นมันเป็นศัตรูเหมือนคนเราที่เป็นศัตรูกันเมื่อโกรธให้ใครแล้วก็มีแต่จะทําให้บุคคลผู้เราโกรธนั้นอยากจะให้มันตายเสียหนีจากโลกนี้ให้แต่เราอยู่คนเดียวในโลกทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวไปอยู่ไม่ได้เองเข้าป่าก็กลัว เสือไม่มีเสือก็กลัวผีจะลุกขึ้นเดินจงกรมภาวนาก็ไม่ได้กลัวผีผีนั่นก็คือว่ามานอันหนึ่งมันหลอกลวงมาให้เราทำความดีเราจะมาวัดมันก็มาลัดทางไว้จะไปเลยวัดอยู่กับลูกกับหลานดีกว่า ไปวัดพระให้รับศีลรักษาศีลเัวอยากไม่ได้ทำตามใจของตัวเองจะให้นั่งสมาธิภาวนาก็ขัดแข้งขัดขาไม่ต้องไปวัดอยู่ในบ้านดีกว่าเราหาลู่ไมว่าบ้านเรือนที่เราปลูกฝังตั้งไว้ดีแล้วนั่นแหละ ตั้งแต่คอนโดมีเนียมลงมามันเป็นคุกขังตัวเองตลอดชาติกพราะว่นไหนที่เราติดมันค้องมันอยู่ไปไหนมาไหนลุกขึ้นภาวนาไม่ได้นั่นเป็นว่ามันเรียกว่า ตัดสินตัวเองตัดสินตัวเองขังคุกตัวเองตลอดชีวิตไม่มีเวลาออกวันพระวันเีนวันหนึ่งในพรรต น, นี้เราอย่าให้มันมาควบคุมจิตใจของเราเกินไปให้บอกพยามานความโกรธโลภหลงให้ดีว่าพยามานเอ้ย แกปกคุมเรามาตั้งแต่อเนกชาติแล้วเราจะไม่ยอมให้แกมาเหยียบคอเราอีกเราจะลุกขึ้นภาวนาไหว้พระสวดมนต์เราจะไม่ง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสอำนาจกิเลสมีแต่ ทางที่จะโผกมัดรัดเึิงให้เราติดโย่ข้องโย่ในโลกในวัฏสงสารตัณหาในใจนี้คุณผู้ชมมีกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา มันโูกไว้มัดไว้ไม่ให้คนเราออกจากการมาพบลูกประพบระลรูกประพบได้ถ้าไม่ภาวนาก็ไม่ได้แม่องค์ศา ส, สดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็บำเพ็ญทานรักษาศาีลภาวนามามากมาย เ่าว่าทางทาบุญทาชานไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้ถึงกระนั้นมารต่างๆมันก็คอยควบคุมพระพุทธองค์มาแต่พระองค์ทางทาบุญทาชานบาเพ็ญการกุศลไม่ทอถอย มันกิเลสเหล่านั้นมันก็ตามอยู่ตามค่าก็ว่าไนข่าบราห้ทําความดีแต่พระพุทธิเจ้านั้นท่านไม่กลัวท่านว่าเราได้ตั้งปณิธานหมายมั่นปันใจมาแล้วว่าจะให้ได้ตรัส ก, กิเลส เราจะฆ่ากิเลสความโกรธให้หมดไปข่ากิเลสความโลภให้หมดไปข่ากิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปโดวันที่พระองค์จะเสด็จออกบวชเป็นพระนั้นท่านมาใครควรกวดการที่เจรณาอยู่ว่าทำอย่างไร จึงจะออกจากเครื่องโภคพันธนาการอย่างที่คนในโลกเขาติดอยู่ข้องอยู่พัทนทบทวนไปมาเมื่อสเสด็จไปเที่ยวสวนก็เห็นคนแก่บ้างเห็นคนเจ็บไข้เข้าพยาธบ้างแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นหนักบวช เมื่อท่านเห็นนักบวชเรียกว่าไม่มีเครื่องสัมภารละอันใดมากมายท่านก็นึกได้ในใจของพระองค์เองว่านี่แหละเราจะต้องออกแบบนักบวชจึงจะออกจากโลกจากสงสารนี้ให้พ้นทุกข์ภัยไปได้ท่านก็นึกไว้ในใจ พอถึงคืนที่พระองค์จ ะ, สะเสด็จออกบวช ท, ทุกสิ่งทุกอย่างในใจของพระองค์ก็ตัดละปล่อยวางจนมาถึงคืนวันนั้นแต่เมื่อหัวค่ำก็ได้ข่าวว่า โลกเกิดมาเอ๊ะโลกเกิดมานี่ถ้าเราไม่บวชมันก็จะเกิดเป็นคนที่สองอย่ามาติดอยู่เลยว่านั้นเราจะออกบวชคืนนี้แหละโลกเกิดมาเราก็จะออกจากพระราชสวังเมื่อจะออกจากพระราชสวังนี่ออกเวลาไหนท่านก็มีเลิกยามของท่าน เลิกยามของท่านเนี่ยเราอะมนุษย์คนเรานั้นถ้าเที่ยงคืนมันนอนหลับไม่มีอุปสรรคและเราก็จะไม่บอกพ่อบอกแม่ละจะขีม้าออกไปเลยคนนะสมัยนั้นมันยังไม่มีรถเบนท์รถเบน้์อย่างพวกเราขีมาก็จ้อนออกไปก็ได้ พระองค์ก็บพกนายันนะลุกขึ้นแต่งมา้าใจอานให้เรียบร้อยนายช น, นะคือว่านายมา้าฝึกมา้าหัดมา้าแต่งอานมา้านายันนะพอตื่นว่าเอนายเราท่านจะไปไหนดูอาการโอ้นี่ถ้าจะบวดซะแล้ว มายชนะกุลเลพจัดแจงให้ทันให้ทันก่อนเทียเท่ยงคืนพอเที่ยงคืนฟังกันมีนาฬิกาเหมือนสมัยนี้ก็เที่ยงคืนแล้วก็ออกละมายชนะเกือบเกมทุกอย่าง ยังไม่ถึงเที่ยงคืนสักห้านาทีของมากราทูนบอกว่าพร้อมแล้วพรแกว้าเพราะองค์จะะเดจดเมื่อใดก็ไม่มีโอุปสันเป็นยามมันยามเที่ยงคืนยามดีคือยามมนุษย์นอนหลับถ้าไปบอกพ่อบอกแม่บอกญอาติกาวงศา เขาก็จะมาจับแขงจับขาไมา่ให้ไปเลยพระองค์ก็สู้เขาบม่ได้เขานอนหลับแล้วก็อยู่ทางออกละบันนายสันนาก็โจงมามาเทียงพระองค์ก็เสด็จขึ้นหลังมากนายสันนะก็เรียกว่านั่งหลังพระองค์ตามธรรมดาก็เรียกว่าต้อง กอดเยวพระองค์ทำมาอย่างนั้นก็ตกมาแต่นักทำพุทธประวัติสลักไว้ในตู้พระไตรปิฎกนายสันนะ น, นั่งนั่งหังมา <c oughs> เวลาพระองค์ <c oughs> ขีมาน่นนะ <c oughs> นั่งห่างมาหางมามันจะนั่งได้หรือตกตายเลยทางมันไม่ใช่ทางลาบย่างเหมือนทางมาทำตากองมัน่นน่ก็ออกแลวอ์เน่เด็ดออกประตูเมืองไปครั้นประตูวังออกจากประตูวังไปแล้วครับ ธรรมดาขี่ม้าเขาก็ต้องใส่แช่ใส่มีแช่เกียนมันผ่านเจ้าของเกียนแรงเท่าไรก็แสดงมันรู้จักว่านายจะให้เราวิ่งไว้วิ่งแรงเท่านั้นอินมาพระองค์ที่เสด็จออกในรูปของตู้พระใจทีดกในไม่จดดินน่ะเหมือนกับลอยเหมือนกับลอยไปในอากาศ นั่นคือว่ามามันก็รู้จักใจนายเมื่อนายเขลียนแรงก็ใดมามันก็รู้จั ก, กว่าเอท่านจะต้องการไว้แหละดีนก็ลอยไว้ไม่ถึงดินเว่งตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ 1, ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกก็แจ้งรสว่าง พอแจ้งสว่างนี่ก็พ้นเขตจากกรุงกบินละพัดแล้วพระเทศทุมกรุงกบินละพัดออกไปแล้วไปถึงน้ำ่าฟังแม่น้ำเมื่อถึงฝังแม่น้ำแล้วพระองค์ก็จัดแจงสงอาบน้ำทำพระวรกายให้สะอาด ตอนนี้เป็นตอนที่พระองค์ออกมาจากกรุงกบินละพัดได้แล้วเรียกว่าปลอดโปร่งเต็มที่สิ่งแรกก็คือจัดแจงอาบน้ำทำรักกายให้บริสดผ่องใสมนุษย์เราไม่รู้แต่เทวดาเขารู้เทวดานี่ว่าห้อมล้อม ท่านจะเอาอะไรท่านจะทำอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเมื่ออาบน้ำสองน้ำแล้วก็มาตัดพระเกศตัดพระโมรีก็ไม่มีมีดโกนมีดไอโกนหนวดเหมือนสมัยนี้แล้วก็เอาพระขันที่พระองค์ขัดเอวไปตามธรรมดาเหมือนตำรวจไทยนั่นแหละ คนสมัยโบราณ น, นั้นอย่างประเทศอินเดียก็เรียกว่าคนโบราณแม่คนไทยเราสมัยก่อนๆทั้งหญิงทั้งชายก็ชอบว่ายผมม้วนม้วนผมไว้ยาวเกิดมาแล้วก็ไม่ค่อยตัดไม่ค่อยโกนละม่วนมวนไว้ให้เป็นลังของเหาพระองค์ก็เอาขี้ผมออกมา พระหาตเบื้องซ้ายก็จับผมพระหาตเบื้องขวาวก็จับพระขันก็ตัดแล้วไงไม่เสกผู้อืนโกนไม่ตัดโพดประมาณสององค์ครีเมื่อตัดขาบกดคำเดียวเท่านั้นแ่ะพระองค์ก็สตั้งภัะชยาที่ฐานว่า ถ้าข้าพระเจ้าจะได้กรัดเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วก็อย่าให้ผมนี่ตกลงโชว์พื้นแผ่นดินให้ผมนี่ลอยไปในอากาศก่าอย่างนั้นทีนี้เทวดาก็ถือขันเงินขันทองคอยรับอยู่มันจะตกลงมาได้อย่างไรเทวดาตั้งร้อยตั้งพันรอบบริเวณเต็มไปหมด พอตาดแล้วพระองค์ก็โยนขึ้นอากาศดูว่ามันจะตกดินหรือขึ้นฟ้ามันก็ขึ้นฟ้าแล้วจ้ะเทวดาเต็มไปใส่ผานช้องผานคำพาขึ้นไปเมืองสวรรค์สั้นฟ้าตาวติงสาพวกเราถ้าภาวนานยังไปตาวติงสาไม่ได้ไม่เห็นละ ทาเกแก้วจุลมณนีอยูโนนสำหรับใสราเกสาพะพุท ธ, ธิเจ้าตัรูลนเป็นธาตุสวยงามกลัวมันเป็นของคิดไม่ใช่เอาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างมนุษย์โลกนีธรรมกบว่าสวยงาม ของทิพนั้นถ้าต้องการอยากจะให้เป็นอย่างไรมันก็บรรโดนบรรดาลให้เป็นอย่างนั้นจึงให้เชื่อว่าธาตุเกตแก้วจุลมณีธาตุเกตแก้วจุลมณีตั้งอยตาวติงสาเป็นที่ประชมของเทว ด, ดาพยาอินพยาพม วันพระวันศีลนเพื่นก็มาประชุมฟังธรรมฟังเทศกันเยึดถือพระเกตแก้วจุลมณีเจดีองค์นั้นเป็นที่สักการะบูชาแม่มาภายหลังพระพุทธเจ้าได้กัตถรู้แล้วก็ขึ้นไปโปรดเทวดาบนสวรรค์ ไปจำพรรษาสามเดือนเรียกว่าไปโปรดพุทธมารดาคือว่าแม่แม่พระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเรียกว่าคลอดคลอดบุได้เจ็ดวันก็สวรรคตตายไปขึ้นไปเกิดโยดุสิเทเิวโลก สูงขึ้นไปจากตาวติงสาพระองค์ตั้งใจจะไปโปรดพุทธมารดาเป็นจุดสำคัญเทวดาทั้งหลายก็เรียกว่าเปล่าล้องกันตั้งแต่ท่านพมลงมาให้มาประชุมฟังเทศฟังธรรมพระพุท ธ, ธเจ้า ตลอดไตรามาสสามเดือนอย่างเราเวลานี้ก็แล้วว่าอยู่ในไตรามาสสามเดือนเพราะพระท่านได้อธิษฐานพรรษาแล้วว่าอิมัตสัมลินอาวาเซอิมังเตมาสังวัตสังอุเปเมข้าพระเจ้าตั้งสัตว์อธิษฐานจะอยู่ในอาวาสนี้ตลอดไตรามาสสามเดือน จะไม่ไปเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมจะโยมจะไม่มีจดหมายบอกญาติบอกโยมจะตั้งใจภาวนาตามพระเน้นองค์ใดเกียดติานภาวนาเพือเ่อจะมีจดหมายน้อยๆส่งไปว่าโยมอาตมาไปโยทําพระปองแล้วญาติโยมมีอะไรก็ส่งไปถวายอาตมาพร้อมก็ไปแบบนั้นขั้งมีกิเลส นั่นพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดมารดาตาวติงสาตาวติงสาเมฆเมฆแทนชิลาอาดเรียกว่าเป็นที่นั่งอ่อนนุ่มนั่งสบายเดลาพยายอินทาทิลาดมานั่งก็เรียกว่าสบายพระองค์ก็เอาแ ท, นท่นชิลาอาดพยายอินทาทิลาดนั่นแหละ เป็นที่ประทับแต่ว่าด้วยเตชานนภาพพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้ยางว่าในสวรรค์สั้นฟ้าเรียกว่าอาวกาศไม่มีอากาศไม่มีลมหายใจพระองค์ก็ปรับปรุงใน ทานในสมาบัตินั้นให้หายใจได้ยังชีวิตของมนุษย์เป็นไปได้ไม่ขัดข้องแต่อเมริกามันขึ้นไปดวงกันต้องพกหอลมหายใจขึ้นไปเอาห่อเอาน้ำขึ้นไปอาหารขึ้นไปลำบากอยู่ ล้อมจะต้องมีเสื้อผ้าที่กันไว้ทำไมอย่างนั้นก็ไปตายกลับลงมาโลกมนุษย์ไม่ได้แต่พระพุทธ เ, ทเจ้านั้นด้วยเจชาโนภาพท่านไม่ไม่มีอะไรและไม่มีอภันโลอภันลาอย่างท่านภาวนาแก่ยอย่างเดียวอากาศในนั้นก็เรียกว่าหายใจได้ ไตรมาดสามเดือนไม่รู้ว่าพระองค์ไปดินบาทที่ไหนได้อาหารที่ไหนมาถวายใครเป็นผู้ถวายก็สาวกก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระพุทธเจ้ามีแต่พระองค์ไปพระองค์เดียวท่านไปดินบาทที่ทวีปกนก็ไม่รู้คือโลกเหล่านี้ เราเห็นแต่โลกที่ไปมาหาสู่กันคือว่านับแต่ประเทศไทยไปจีนไปรักเชียไปอังกฤษฝรั่งเศสไปสหารัฐอเมริกาไปมาที่มีเท่านี้แหละเินญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่าเป็นอีกทวีปหนึ่งทวีป ใ, ใหญ่ในโลกมันมีอยู่ ตาวาติงสาตั้งยโยกงกงกลางแมว่าเป็นภูเขาใหญ่ที่สุดแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์กงไกลกจนไกลของอเมริการัสเชียญี่ปุ่นไปไม่ถึงจะต้องไปด้วยลิฟต์ด้วยเดทจึงจะถึงได้พระองค์ก็จำพรนสาโยนนั้นได้ตายมาสามเดือน จึงได้เสด็จลงมานั่นละพระพุทธเจ้าท่านมีความภาพเยียนพยายามภาวนาตัดโลตัตกิเลสตัดความมุ่นวายทั้งหลายแหลตามอำ น, นาจกิเลสราคะโทสะโมหะบังคับบัญชามานมนานกาเลจจนกระทั่งพระองค์รู้เข้าทันต่อมาพระองค์ก็ไม่หลง ไม่หลงกินไม่หลงนอนไม่หลงดูหลงฟังตาก็ดูเห็นหูก็ได้ยินแจมโกก็ดมกลิ่นเหน็นหอนไรเหมือน ก, นกันกับคนธรรมดาแต่พระองค์ไม่ติดไม่คล้องในสิ่งเหล่านี้พระองค์รู้เท่าทันภาวนาในใจนี่แหละให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา พันษานีปีนี้ให้ถือว่าเป็นปีที่ปฏิบัติบูชาภาวนาให้กิเลสลาคะโทสามโมหะที่มันเต็มอยู่ในตัวในใจของเราให้มันเบาบางหมดสิ้นไปก่อนใตรมากสามเดือนจะจบลงไปธรรมเนียมพุทธศาสนาสมัยก่อนโน้นไม่ว่า พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่ว่าญาติโยมอยู่บ้านอยู่เรือนท ร, ร ม, มาหาเรื่องเท็จ ก, ก็ตามท่านเหล่านั้นท่านมุ่งหวังเพื่อการปฏิบัติอย่างเวลาสมัยพระสงฆ์เข้าจำปรรษาทธายาตโยมก็ตั้งอกตั้งใจว่าเราจะบำเพ็ญทานเราจะรักษาชิ้นห้าชิ้นแปด เราจะเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์เราจะไม่นั่งนอนเล่นอยู่เฉยๆตั้งอกตั้งใจพระสงฆ์กดตั้งนาทีของตนขึ้นมาญาติโยมกดตั้งนาทีของตนขึ้นมาทุกคนก็ทำคุณงามความดีรักษาชินห้าชินแปดชินสิบสองร้อยี่สิบเจ็ด ครอบท่วนทุกส่วนทุกประการผลที่สดพระอริยสงสาวกในสมัยก่อนโน้นอุบาสกุบาศิกาสัทธาชาวบ้านก็ได้บรรลมุมรรคผลเป็นพระโสดาในใจเป็นพระสกิขาคาในใจเป็นพระอนาคาในใจ เป็นพระอาหารหันตานในจิตในใจได้โยครเก็นคราวาสญาโยมก็ได้สำเร็จมาผลดูตัวอย่างพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านโยหอปราสาทราชสมุนเทียนทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันทุกวันเรียกว่าใสบาท มนพระไปสันในพระราชวังเป็นประจำท่านรมบุญสุนทานขนาดหนักแล้วก็ภาวนาจนได้เมื่อแกชลาได้ฟังธรรมคำสอนประพุติเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอาราหาันตากินาศพเจบพร้มมรจันเพราะจิตใจท่านไม่ ไม่ทอถอยม่วงต่อนิพพานผลที่สดพระนิพพานก็นย่อมปรากฏการขึ้นมาในนาำพระทัยใจพระพุทธใจของพุทธบิดาพระเจ้าชุโทโธธนะมหาราชนี่คือว่าให้เราทุกคนตั้งใจอย่าไปคิดว่าบางคนก็จะคิดเลยเถิดใปว่าถ้า เจ็ดวันทำนานอะไรก็ไม่โลกเขียนกันไปตามเรื่องความจริงการเกิดการตายเป็นธรรมดาของโลกปะขันไม่ใครไม่ใช่ใครขันไม่ใครไม่ใช่ใครจะไปแต่งเอา บางคนก็กลัวมันจะตายจากลูกจากหลานอีกไม่อยากให้มันสำเร็จเนี่นั้นอย่าไปฟังสิ่งเหล่านี้คือว่ากิเลสมารทั้งนั้นมันโูกมัดลัดลึงให้เรายอมแพ้มันมานานแล้วกีนี้พันศา น, นี้ให้เราทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสเอาให้ได้ใจชนะ นับตั้งแต่ความที่เขาเหงานอนพุ่งสร้างลำคานเราเนรไล่มันออกเตลิดเปิดเติงอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อย่าไปเชื่อมันกิเลสในใจมนุษย์มันไม่นอกจากมันอยากได้สตางไม่มียอย่างอื่นก็ ชื่อหวยรถเซอรี่จะได้รวยกับเขาบ้างรวยเรามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายหรือก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกเกิดมาแล้วมันต้องแกท่ทาราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดมันจะต้องตายโรคประคันร่างกายอันนี้เราเป็นที่ข่าทันหามาตั้งแต่อเ น, นกธาตุ มาพันสาเนตีนี้ให้ขึ้นเป็นนายบ้างนั่งอยู่หัวกิเลสยาเตนั่งอยู่ใต้ข้างกิเลสมันดา่ามันว่าอะไรก็อย่าไปวันไวถ้าโกผู้อื่นเพื่อนมนุษย์ดูด่าว่าร้ายให้ก็ให้ถือว่าเออนี่แหละเรามาเกิดในวัฏสงสารเขาไล่ให้เราไปสุเมืองนิพพานถ้ามันรู้แล้วรู้รอดเทียะ ถ้ามาเกิดเป็นโลกมนุษย์อย่างนี้แล้วก็มีหูก็ฟังเสียงเราจะไปตั้งใจฟังแต่เสียงที่ไพเลาะเจาะจงมนุษย์ผดผดิษ์ดผดอ ย, ย, ยขึ้นมามันก็เท่านั้นล่ะอย่าไปฟังเขาด่าใครใดีว่าเขาด่าให้เราหนีจากโลกถ้ามาเกิดกว่าถูกด่าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดใม่อีกก็ถูกด่าอีกจบไม่จบไม่สิน้น ภาวานาพุทโธพุทโธให้มันแจ่มแจ้งใ น, ในใจิตใจของตนแล้วก็เรียกเป็นอิสระเฉลีไม่ปล่อยให้กิเลสราคะมาทับสมใจไม่ปล่อยให้กิเลสโทสะมาทับสมใจไม่ปล่อยให้กิเลสมโหห า, าวิชาตัหากิเลสพันห้าตัหาร้อยแสไม่ให้มาพัวพันจิตใจของเรา จิตใจของคนเราทุกคนก็จะมีอิสระเสรีจะทำอะไรก็เรียกว่าทำด้วยความบริสุทธิ์จิตใจจะพูดสิ่งใดก็พูดได้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วเลี้ยวไหลไม่ต้องพูดพูดไม่ดีคืออังกิเลสมันบอกให้พูดถ้าเราพูดดีทำดีปฏิบัติดีเรียกว่าศีลสมาธิ ปัญญาให้พูดให้ทำเราก็ทำแต่สิ่งที่ดีประกอบแต่คุณงามความดีให้มันเกิดมีขึ้นในทางที่ดีอย่างเดียวทางชั่วเสียหายอย่าไปประกอบกระทำเพราะว่าการทำชั่วนั้นไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ทำไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะใครก็ทำได้ ก็โดนเสือมันอยู่ในฝ่ามันไปเรียนมาจากที่ไหนมันถึงเป็นสัตว์ดุร้ายอยู่ตามเดิมคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพุทธศาสนามีระสัมมาสัมพุทธเจ้าโพริชโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้านั่นแล้วเป็นโล ก, กวิภูรูแจงโลก คำว่ารล้แจงโลกนะั้นโล่แจงโลกด้วยรู้แจงธรรมด้วยรล้แจงโลกทั้งหมดนี่แหละผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงประทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมีเต็มฟ้าพระองค์ก็รู้แจ้งหมดบาปบุญคุณโอดประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์พระองค์โู่ทางนั้นไม่ใช่แต่ว่าโลว แค่ไอ้นักวิทยาศาสตร์รู้พระโอรูปพระองค์รู้เลยนักวิทยาศาสตร์ไปอีกมากมายแต่พระองค์ไม่ขี้อวดเหมือนคนคนเราเนี่ยมีอะไรนิดๆน้นนนอยๆก็ชอบอวดอวดรู้อวดฉลาดอวดดิบอวดดีอวดไปอวดมาก็ตายถทานั้นนะมันจะไปไหนพระพุทธเจ้าท่านไม่อวดใครท่านละกิเลส ราคโทสะโมหะใดเป็นสิทธิของพระองค์แล้วก็ยังไม่สุดเท่านั้นพระองค์ยังเอามาสอนพุทธสาวกในขั้งพุทธการจนพุทธสาวกนั้นเรียกว่าพระองค์สอนไห้ดีเ ด, ดไม่หลงไหลไม่มัวเมาไปตามอำนาจกิเลส ไม่ทำชั่วเสียหายทั้งในที่รับและที่แจ้งงานพระองค์สอนไว้เป็นนายสารถีใหญ่พระองค์สอนทุกซอกทุกมุมสอนทุกอย่างทุกเวการจนักคอนสมัยนั่นแล้วเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนสมัยนี้แล้วว่าคนโง่เง่าเตาตุน กินเหล้าเมาสุลาคันซายาผิ่นฮีโลอินอันใดไม่ควรจนกระทั่งโูกบุหรีก็เลิกไม่ได้ทันให้โูกบุรีก็โอ้ยสายแล้วไว้นนโสูบุรีมันจะตายก็ยอมทํามันตายเยยาสียจะไพโสูบุรีกินหมากปากแดงนั่งสมาธิภาวนาเข้าฌานอยู่สบายกว่า พระพุท ธ, ธเจ้าโดนพระพุทธโลกท่านนั่งเฉยใครว่าเออพระพุทธโลกองค์นี้สวยงามดีท่นานก็เฉยอยู่ได้พระพุทธโลกองค์นี้ไม่ดีมันติกองนั้นกองนี้ติไปเถิดท่นานก็ไม่หวั่นไหวท่านก็ภาวนาพุโทโธของท่านอยู่อั่นแหละใจเราก็ให้ให้ถึงคุณพระสู่พระนั้น ไม่ทุกไม่ร้อนไม่เล่าร้อนในใจไม่เล่าร้อนด้วยวาจาไม่เล่าร้อนในทางตายตาโดโหฟังท่านก็มีปัญญาพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีสิงอื่นใดนอกเหนือไปจากอนิจจงคือความไม่เที่ยงทุกขขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ความอยากได้อยากดีอันใดมันมีอยู่ในใจให้เราเทกระจัดทิ้งหมดโยนลงกลางทะเลมหาสมุทรอย่าไปยิดมาถือไม่ต้องไปให้มันล่ำรวยและรวยไปถึงวันตายก็พอแล้วอย่าไปคิดมากกว่านั้นไปพุโทโธพุโทโธในใจให้ใจมันหมดความอยากความดิ้นรนวุ่นวาย จะได้นั่งภาวนาคิดใจสบายนี่เป็นคำคำสอนในทางพุทธศาสนาสอนต่อพระพุทธเจ้าให้เราทุกคนลุกขึ้นภาวนาดังแสดงมาก็ชมโควนด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วย ก, กาละานิี ยะถาวะลิวะหาปูรา f ะลิปุเรนติธาคลังเย ว, วเมวอิตโตตินังเตตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังกิะเมวัสัมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสพิสิโยวิวัตินโต สัพพโลโควินาศโ ต, ตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจตารโอธรมาวทันจิอายุวันโนสุขังพลังสัพพุทตานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะคุตตรัตนังขรมรัตนังสังขรัตนังจินนังรัตานานังอนุภาเวนะยะโสราสิทธิสหัจะธรรมกันธาโนภาเวะานพเวะพิจักตญาโุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสเัพเทโลกา สเปเตพยาพเปเตอันตรายาสเ t เตอุปัทฐวาสเปเตทุนิยิตาสเปเตอวมังคลาเวนัสตุอาอยู่วัฏทโกธนวัฏทโกเิลีวัฏทโกยะวัฏทโกพาลาวัฏทโก วันวัฏโกสุขวัฏทกโกโหตุปปัตตาทุกขโลกาปยาเวลาโซกาสตุจุปัทวาณอนเนกาอันตรายาติวินัสนตุจเตสสะทจียิทิธนานลาพังสดทิพากยังสุขังพลังเทเราอยุจวันโนโออจะโพคังฤติเจยสวา ตัตว์สัาจะอายุจาชีวาสิทธิ์ภวันตุเตภวะตุสั พ, พมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุท ธ, ธาหนุภาเวนะสัทธาโสธีภวตุเตภวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสั พ, พพเทวตาสัพธรรมาหนุภาเวนะ สัทาโสตถีพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสภังคานุภาเวนะสัทาโสตถีพวันตุเตจานปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาอยากเข้าใจว่าเป็นของธรรมเล่น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 การบวชการปฏิบัติต้องกำหนดพิจะะารณาหลักสำคัญคือว่าจิตใจให้มีความสงบตั้งมัน่นท่านจึงย่นย่ออุบายเข้ามาภายในว่าจงนึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแตนี้ถ้าเราฟังแต่แค่นั้น เราไม่ทําจิตทําใจให้มันสงบระงับถึงพุทธะพุทโธจริงๆแล้วมันจริงจะเข้าใจถ้าเราฟังแต่เพียงภาษาใจก็ไม่ตั้งไม่เอาจริงเอาจังมันก็เลื่อนลอยล่ะฟุ้งซ่านลำคาลเลื่อนลอยง่วงเหงาหานอน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 มีสติในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เป็นสมาธิคือว่าตั้งมั่นจริงๆพัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้อยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองจนกระทั่งได้พัญญาวิชาความรู้แก้ไขกิเลสราคะโทสะโมหะ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 ยกจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นมาสติคือความระลึกได้ใครเป็นพูดมีสติกะ ค, คือจิตนั่นแหละจิตคือจิตดวงที่โลดอยู่นี่แหละเมื่อไม่ตั้งมั่นจริงๆมันก็ขาดสติขาดสติที่เลสดในนั้นมันก็พาไปคิดไปปรุงไปแต่งไปดีใจเสียใจพุ่งก้านลำคาญ เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนอะไรเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระธรรมอะไรเป็นพระสงฆ์ก็จะไปได้ยินได้เห็นได้ฟังแค่สมมุติภาษามภายในจิตใจเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ต้องทําความรู้เสร็จอยู่ในจิตในใจ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 ก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าแค่จิ้แค่นอนแค่อยู่ได้สติให้มีอยู่ทุกเวลานั่งมีสติอย่างไรยืนมีสติอย่างไรเดินไปมามีสติอย่างไรทุกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนคำว่าสติปัฏฐานสี่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 ในนั้นในพากันตั้งใจภาวนาทุกเอิยาบทยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาให้มันได้ทุกเวลาจึงจะสมว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้เข้าใจในธรรมปฏิบัติดังแสดงมาโดยยนย่ อ, อพอได้ใจความ แล้วจงพากันประพฤตปฏิบัติไปโดยความไม่สมมาตรคำว่ากิเลสของใหญ่ๆพันันแล้วนี่เยอะกิเลสความโกรธกิเลสความโกรธนี่เหมือนกรเสือล่ะใครแตะต้องไม่ได้ กิเลสความโลภนี่มันเหมือนกับจระเข้เจระเข้นั้นเร็วปากใหญ่ปากกว้างาเขาแต่งมิคานมาหางมันรอบโลกไปเลยไปกัดกินหางตัวเองโลภะคือความโลภความโลภในจิตของมนุษยนะ์เรียกว่ามันมากมาย ไม่อิ่งไม่พอแตนยังเกลียบเทปให้มนุษย์โลกว่าในโลกนี้นานๆจะมีพระเจ้าจากพระพตราทิลาชคนหนึ่งมาเกิดในโลกได้เป็นใหญ่หมดในมนุษย์โลกหมายถึงมนุษย์ที่เราไปมาหาสู่กันเนี่ย ได้เป็นใหญ่เพราะมีจั ก, กรพรรดิราธิราชคอยเป็นอำนาจก็ยังไม่พอยังคิดต่อไปว่าเอบนสวรรค์เขาก็ว่มีอยู่ทำอย่างไงหนอจึงจะได้ไปครองเมืองสวรรค์อีก อันนี้ก็คือว่าความโลภในจิตใจของมนุษย์ที่เราคิดเล็กๆน้อยๆว่าได้อย่างนั้นแล้วก็จะพอได้อย่างนี้แล้วก็จะพอความจริงมันไม่มีเมืองพอมันยืดออกไปเรื่อยโลภะจึงเรียกว่า เป็นเหมือนจอระเคปากมันใหญ่มันกว้างกินได้ทุกอย่างทุกประการโลภะในจิตของคนเรานะต้องให้มันพอเพื่อว่าพระพุทธองค์สอนว่าเอาที่มันมีอยู่นี่แหละมีตาสองตาก็มันพอนี่มีหูสองหูก็พอแล้ว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 แต่แน่อีกกองหนึ่งกิเลสกองหนึ่งก็เรียกว่าอจิชาหรือว่าโมหะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงตัวที่สามนี่เรียกว่าหลงหลงสมมุตินีอยอมในโลกหลงกินหลงนอนหลงสนุกเฮฮาภาษากิเลส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 เป็นเจ้าโลกก็ว่านายที่เละความโกรธเป็นเจ้าโลกหนึ่งกิเละความรอดเป็นเจ้าโลกหนึ่งกิเละ ค, ความหลงเป็นเจ้าโลกหนึ่งแต่เจ้าแผ่นดินโลกหลงนะมีสามนายใหญ่ๆมันไม่กลัวใครแหละแต่ว่ากลัวผู้ปฏิบัตินั่งภาวนา นับตั้งตนตนแต่พระพุทธเจ้านั่งภาว น, นาใต้ลมไม่พอที่แลความโกรธความโลภความหลงเน่็กบกกล้าทำอะไรกับพระพุทธเจ้าแม่สาวกพระพุทธเจ้าท่านที่ปฏิบัติภาวนา ได้สำเร็จเป็นพระโสดาภิกตาคาอนาคาจนถึงขั้นพระอาราหันตากีเลสความกรอดรอบหลงสามกองนี้ก็กลัวกราบไหว้พระสาวกพระพุทธเจ้าแม่พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้กีเลสามกองนี้มันยังควบคุมอยู่ มันยังไม่กลัวหรือว่ามันบายหัวเราอยู่ทุกวันเหมือนมีคนมาบายหัวอย่างนั้นนะคือเมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะ่ะมันเอาประทันตุดาว่าลายไปตามเรื่องเรียกว่าโทสะจลิตโทสจัจลิทธนี่โมเมนต์เล็กน้อยโลภะก็เหมือนกัน โมหะก็เหมือนกันมันมีขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครละกลัวผู้ปฏิบัติภาวานาลูกเดียวผู้ได้มันขยันภาวานานะนั่นแหละมันกลัวกลัวคนหมัน่นคนขยันฉะนั้นให้เราทุกคน นั่งสัตยาที่ฐานลงไปว่าเราจะไม่ประมาจะนั่งสมาธิภาวานาให้ได้ทุกคืนทุกคืนจะนั่งคัดสมาธิให้ได้ทุกวันทุกคืนแต่เวลานั่งเข้าเรามันจะเอาบว้ได้ ว่าถ้ามีครูบาอาจารย์พูดดูว่านั่งหรือคนนั่งอยู่มันก็พอทำได้แต่เมื่อไม่มีไม่มีใครดูว่านั่งคัดสมาธิหรือไม่นั่งตรงนั้นละมันจะมันจะแหคกคกไปนั่งจุติเจ้าของนั่งยังไรก็ได้นอนภาวนาก็ได้ มันมันมันแหวกแนวออกไปรวานอนแท้ก่อนตื่นขึ้นมายังภาวนาก่อนยันได้เมื่อไปตามมันแล้วเอามันจะพาเขา้าลกเขา้าป่ามันจะเอาท่าไดมาแก้ให้รู้เลี่ยมมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ไมยอม ท่านนั่งภาวนาก่อนจับกิเลสให้มันหมดก่อนจึงค่อยนอนพระองเอาแบบนั้นแต่นั้นถึงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงจึงไม่กล้าทําอันตรายกับพระพุท ธ, ธเจ้าพระองค์ลูบหน้าลูบตามันกิเลสสังขารเหล่านี้ ท่านจึงให้ชื่อมันเป็นพญามารเหมือนกับพญาแต่จออเจ้าแผ่นดินขี่ช้างนาลาทิลิงยกกองทัพใหญ่มาทำลายสัพพิติเจ้าในวันจเได้ตัชโลแต่พระองค์ไม่หลงคือพระองค์เอาตายสู่ เราไม่หวั่นไหวลู้หน้าพญามารว่าไม่ต้องมาลบเราเราไม่กลัวเราสลาดตายไปก่อนแล้วเถอะถ้าม่านกิเลสกล้าจริงก็เอาเราตายไปนะจริงจะได้เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราก็ภาวนาแหละก็ อนาปาลมหายใจเข้าออกของพระองค์เรื่อว่วามมีอำนาจปาติหาปราบตามกิเลสความโกรธก็ได้ปราบตามกิเลส ค, ค, ค, ค, ความโลภก็ได้ปราบตามกิเลสความหลงได้หมด ฉะนนั้นไม่มีอะไรที่จะมาปราบปรามกิเลสลาคะโทสะโมหะได้ดีเท่ากับปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนานี่นนแหละเป็นการตัดกัน